สามติสะพร ม, มสูตรว่าด้วยติสะพรมข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิชูตรเขตรุงราชครืครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาสององค์มีวันนงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วภูเขาคิชโคดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นแล้วเทวดาอีกองค์หนึ่งกราบทูลว่าภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นดีแล้วเพราะไม่มีอุปาทานขันเหลืออยู่เทวดาสององค์นั้นได้กราบทูลดังนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทยัย ครั้นเทวดาสององค์นั้นทราบว่าพระศาสดาทรงพอพระไทยเราจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแหลครั้นคืนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาสององค์มีวันณ่าดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วภูเขาคิจกูด เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นแล้วเทวดาอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นดีแล้วเพราะไม่มีอุปทานขันธ์เหลืออยู่เทวดาสององค์นั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงไหว้เราทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแล สมัยนั้นท่านพระมหาโมคลานะนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดดังนี้ว่าเทวดาเหล่าไหนมียานอย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปทานคันเหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานคันเหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานคันเหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาทานคันเหลืออยู่สมัยนั้นแหลภิกษุชื่อติสามรณภาพได้ไม่นาน ก็เข้าถึงพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งแม้ในพรหมโลกนั้นพวกพรหมก็รู้จักท่านอย่างนี้ว่าติสสพรหมมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้หายจากภูเขาคิจกูรไปปรากฏที่พรหมโลกนั้นเหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นติสสพรหมได้เห็นท่านพระมหาโมคลานะกำลังมาแต่ไกล จึงกล่าวกับท่านอย่างนี้ว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านโมคลานะผู้นิรทุกข์ขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลามาณะที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้เถิดท่านพระมหาโมคลานะจึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ฝ่ายติสพรมได้อภิวาสท่านแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระมหาโมคลานะจึงได้กล่าวดังนี้ว่าติสะ เทวดาเหล่าไหนมียานอย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาทานคันเหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานคันเหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานคันเหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาทานคันเหลืออยู่ท่านโมคลานะผู้นิรทุกเหล่าเทวดาฉันพรหมกายิกามียานอย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาทานคันเหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานคันเหลืออยู่ หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาธนาคารเหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาธนาคารเหลืออยู่ติดสั่งเราเทวดาชั้นพรหมกายกาทั้งหมดเลยหรือที่มียานอย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาธนาคารเหลืออยู่ว่ายังมีอุปาธนาคารเหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาธนาคารเหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาธนาคารเหลืออยู่มิใช่เลยท่านโมคลานะผู้นิรุตุ ที่เหลา่าเทวดาชั้นพรหมกายิกาทั้งหมดมียานอย่างนี้ใ น, ในบุคคลผู้ยังมีอุปาทานคันเหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานคันเหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานคันเหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาทานคันเหลืออยู่ท่านโมคลาณะผู้นิรทุกเหล่าเทวดาชั้นพรหมกายิกาผู้ยินดีด้วยอายุที่เป็นของพรหมยินดีด้วยวันะที่เป็นของพรหม ยินดีด้วยสุขที่เป็นของพรหมยินดีด้วยยศที่เป็นของพรหมยินดีด้วยความเป็นใหญ่ที่เป็นของพรหมไม่รู้ชัดอุบายเป็นเครื่องสลัดออกที่ยิ่งขึ้นไปตามความเป็นจริงเทวดาเหล่านั้นไม่มีญาณอย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาทานขันเหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานขันเหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานขันเหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาทานขันเหลืออยู่ ท่านโมคลานะผู้นิรทุกส่วนเราเทวดาชั้นพรหมากายิกาผู้ไม่ยินดีด้วยอายุที่เป็นของพรหมไม่ยินดีด้วยวันณะที่เป็นของพรหมไม่ยินดีด้วยสุขที่เป็นของพรหมไม่ยินดีด้วยยศที่เป็นของพรหมไม่ยินดีด้วยความเป็นใหญ่ที่เป็นของพรหมรู้ชัดซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกที่ยิ่งขึ้นไปตามความเป็นจริง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 ท่านผู้นี้เป็นอุปตโตภาคาวิมุตต์กายของท่านจากดารงอยู่เพียงใดเหล่าเทวดาและมนุษย์จะเห็นท่านเพียงนั้นแต่เมื่อท่านมรณภาไปเหล่าเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นท่านเทวดาเหล่านั้นมียานอย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาทานขันเหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานขันเหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานขันเหลืออยู่ว่า ไม่มีโอปาธานาคารเหลืออยู่ท่านโมคลานะผู้นิรทุกภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นปัญญาวิมุตต์ทเท ว, วดาเหล่านั้นย่อมรู้จักภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นปัญญาวิมุตตกายของท่านจักดำรงอยู่เพียงใดเหล่ามนุษย์และเท ว, วดาจะเห็นท่านเพียงนั้นแต่เมื่อท่านมรณะภาไปเหล่าเท ว, วดาและมนุษย์จักไม่เห็นท่าน เทวดาเหล่านั้นมียานอย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาทา น, นขันเหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานขันเหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทา น, นขันเหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาทานขันเหลืออยู่ท่านโมคลานะผู้นิรทุกภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นกายสักขีเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้จักภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นกายสักขี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 หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาทานขันธ์เหลืออยู่ท่านโมคลานะผู้นิรทุกข์ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นทิฏฐิปัตตะละถึงท่านโมคลานะผู้นิรทุกข์ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นสัตธาวิมุตติและถึงท่านโมคลานะผู้นิรทุกข์ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นธรร ม, มานุสารี เท ว, วดาเหล่านั้นย่อมรู้จักภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นธรรมานุสารีเป็นการดีถ้าท่านผู้นี้ใช้สอยเสนาสนะที่สมควรคบกรยานามิตรอบรมอินทรีย์พึงทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน เทวดาเหล่านั้นมียานอย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาธานคันเหลืออยู่ว่ายังมีอุปาธานคันเหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาธานคันเหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาธานคันเหลืออยู่ลำดับนั้นท่านพระมหมาโมคลานะได้ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของติสะพรมแล้วได้หายจากโพรมโลกไปปรากฏที่ภูเขาคิจกูดเหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉชนั้นลำดับนั้นแลท่านพระมหาโมคลานะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงถ้อยคาสนทนาปราศัยกับติสพรมทั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะติสพรมไม่ได้แสดงบุคคลที่เจ็ดผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ อันหานิมิตมิได้แก่เธอหรือท่านพระมหมาโมคลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงบุคคลที่เจผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่อันหานิมิตมิได้ภิกษุทั้งหลายฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจกทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะ ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระมหาโมฆลลานะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงเรียกรัดเรื่องนี้ว่าโมฆลลานะภิกษุในธรรมวินัยบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตไม่ได้เพราะไม่มนัสการถึงนิมิตทั้งปวงอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมรู้จักภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้บรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตมิได้เพราะไม่มนัสการถึงนิมิตทั้งปวงอยู่เป็นการดีถ้าท่านผู้นี้ใช้สอยเสนาสนะที่สมควรครบกัลยานามิตรอบรมอินทรีย์พืงอทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน โมคลานะเทวดาเหล่านั้นมียานอย่างนี้แหลในบุคคลผู้ยังมีอุปาทานขันหลืออยู่ว่ายังมีอุปาทานขันหลืออยู่หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานขันหลืออยู่ว่าไม่มีอุปาทานขันหลืออยู่ติสสพร ม, มสูตรที่สามจบ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 พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองได้ไหมพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสีหะถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในปัญหานั้นท่านพึงตอบปัญหานั้นตามที่ท่านชอบใจสีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือในกรุงเวสาลีนี้มีคนสองคนคนหนึ่งไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริภาศ อีกคนหนึ่งมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอสีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือพระอรหันต์เมื่อจะอนุเคราะห์พึงอนุเคราะห์ใครก่อนระหว่างคนไม่มีศรัทธาตรณีถีเนียวชอบด่าบริพารกับคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอรหันต์เมื่อจะอนุเคราะห์ จาอนุเคราะห์คนไม่มีศรัทธาตรณีทีเนียวชอบด่าบริภาคก่อนได้อย่างไรพระอรหันต์เมื่อจะอนุเคราะห์พึงอนุเคราะห์คนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอก่อนแน่แท้สีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือพระอรหันต์เมื่อจะเข้าไปหาพึงเข้าไปหาใครก่อนระหว่างคนไม่มีศรัทธาตรณีทีเนียวชอบด่าบริภาา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 คือพระอรหันต์เมื่อจะรับทานพึงรับทานของใครก่อนระหว่างคนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาทกับคนมีศรัทธาเป็นทานปดียินดีให้ทานสม่ำเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอรหันต์เมื่อจะรับทานจะรับทานของคนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาทก่อนได้อย่างไรพระอรหันต์เมื่อจะรับทาน พึงรับทานของคนมีศรัท ธ, ธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอก่อนแน่แท้สีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือพระอรหันต์เมื่อจะแสดงธรรมพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนระหว่างคนไม่มีศรัท ธ, ธาตรณีถีเหนียวชอบด่าบริพาทกับคนมีศรัท ธ, ธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระอาหารหันต์เมื่อจะแสดงธรรมจากแสดงธรรมแก่คนไม่มีศ ร, รัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริภาษก่อนได้อย่างไรพระอาหารหันต์เมื่อจะแสดงธรรมพึงแสดงธรรมแก่คนมีศ ร, รัทธาเป็นทานะปียินดีให้ทานสม่ำเสมอก่อนแน่แท้สีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือกิตติศัพท์อันงามของใครหนอควรขจรไประหว่างคนไม่มีศ ร, รัทธาตรนีทีเหนียว ชอบด่าบริพาทกับคนมีศรัท ธ, ธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกิติศัพท์อันงามของคนไม่มีศรัท ธ, ธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาทจักขอจรไปได้อย่างไรกิติศัพท์อันงามของคนมีศรัท ธ, ธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอเท่านั้นเพื่อขจรไปสีหะท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร คือใครกันเล่าระหว่างคนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาดกับคนมีศรัทธาเป็นทานะบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขตยะบริษัทก็ตามพรามณะบริษัทก็ตามข้าบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามพึงเป็นผู้แกล้งกล้าไม่เกริน เ, เข้าไปยังบริษัทนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาทเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขตยะบริษัทก็ตามพราหมณนบริษัทก็ตามข้าบดีบริษัทก็ตามสมณบริษัทก็ตามจากเป็นผู้กล้าวกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปยังบริษัทนั้นๆได้อย่างไรคนมีศรัทธาเป็นทานะบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอเข้าไปยังบริษัทใดๆ จะเป็นขตยะบริษัทก็ตามพราหมณ์บริษัทก็ตามข้บดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามพึงเป็นผู้แคล้วกล้าไม่เก้ิเขินเข้าไปยังบริษัทนั้นๆสีหะ <See, huh? S 1> ท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือใครกันเล่าระหว่างคนไม่มีศรัทธาตรณีถีเหนียวชอบด่าบริพาทกับคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอ หลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนไม่มีศรัทธาตรณีทีเหนียวชอบด่าบริพาศหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้อย่างไรคนมีศรัทธาเป็นทานบดียินดีให้ทานสม่ำเสมอหลังจากตายแล้วพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองหประการพระผู้มีพระภาคตรัสบอกแล้วในผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองหประการนั้นข้าพระองค์ไม่เพียงแต่เชื่อพระผู้มีพระภาคเท่านั้นแต่ยังทราบอีกด้วยข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีพระอรหันต์เมื่อจะอนุเคระห์ย่อมอนุเคระห์ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีพระอรหันต์เมื่อจะเข้าไปหา ย่อมเข้าไปหาข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีพระอรหันต์เมื่อจะรับทานย่อมรับทานของข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีพระอรหันต์เมื่อจะแสดงธรรมย่อมแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีกิตติศัพท์อันงามของข้าพระองค์ขจรไปแล้วว่า สีหเสนาบดีเป็นการกะบุคคลเป็นผู้อุปถัมภ์พระสงฆ์ข้าพระองค์เป็นทายกเป็นทานบดีเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขติยะบริษัทก็ตามพรามณบริษัทก็ตามข้าบดีบริษัทก็ตามสมณบริษัทก็ตามย่อมเป็นผู้กล้าวกล้าไม่เกเขินเข้าไปยังบริษัทนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองหประการที่พระผู้มีพระภาคตรัสบอกแล้วในผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองหประการนั้นข้าพระองค์ไม่เพียงแต่เชื่อพระผู้มีพระภาคเท่านั้นแต่ยังทราบอีกด้วยส่วนผลแห่งทานที่จะพึงเห็นเองประการที่เจที่พระผู้มีพระภาคตรัสบอกข้าพระองค์อย่างนี้ว่าสีห์หะทายกทานบดีหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ข้าพระองค์ยังไม่ทราบแต่ในข้อนี้ข้าพระองค์เชื่อพระผู้มีพระภาคข้อนั้นเป็นอย่างนั้นสีหะข้อนั้นเป็นอย่างนั้นสีหะคือทายกทานบดีหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สีหะเสนาปฏิสูตรที่สี่จบ อารักษเคยยสูตรว่าด้วยฐานะที่พระตถาคตไม่ต้องรักษาภิกษุทั้งหลายฐานะสี่ประการนี้ที่ตถาคตไม่ต้องรักษาและตะถาคตไม่ถูกติเตียนด้วยฐานะสามประการฐานะสี่ประการที่ตถาคตไม่ต้องรักษาอะไรบ้างคือหนึ่งตถาคตมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ไม่มีกายยุทธจริตที่จะต้องรักษาว่า คนอื่นอย่าได้รู้กรรมนี้ของเรา 2. ตถาคตมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ไม่มีวจีทุจริตที่จะต้องรักษาว่าคนอื่นอย่าได้รู้กรรมนี้ของเรา 3. ตถาคตมีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์ไม่มีมโนทุจริตที่จะต้องรักษาว่าคนอื่นอย่าได้รู้กรรมนี้ของเรา 4. ี่ตถาคตมีอาชีวะบริสุทธิ์ไม่มีมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีพผิดที่จะต้องรักษาว่าคนอื่นอย่าได้รู้กรรมนี้ของเรานี่คือฐานะสี่ประการที่ตถาคตไม่ต้องรักษาตถาคตไม่ถูกติเตียนด้วยฐานะสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งตถาคตมีธรรมที่กล่าวไว้ดีแล้วเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดาพรหมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคาพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่า แม้เพราะเหตุนี้ท่านจึงมิใช่เป็นผู้มีธรรมที่กล่าวไว้ดีแล้วเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นั้นจึงถึงความกเกษมไม่มีความกลัวแกล้วกล้วอยู่สองเราได้บัญญัติไว้ดีแล้วซึ่งข้อปฏิบัติที่ให้ถึงนิพพานโดยวิธีที่สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแล้วย่อมทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาศวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพราหมณ์เทวดาพรหมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้ท่านมิได้บัญญัติไว้ดีแล้วซึ่งข้อปฏิบัติที่ให้ถึงนิพพานโดยวิธีที่สาวกทั้งหลายของท่านปฏิบัติตามแล้วย่อมทาให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต ละถึงเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นั้นจึงถึงความเกษเสมไม่มีความกลัวแกล้วแกล้าอยู่สส า, าวบกบริษัทของเราหลายร้อยทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ละถึงเราไม่เห็นนิมิตนี้ว่าสมณะพรามเทวดาพรหมหรือใครๆในโลกจากทักท้วงเราด้วยคำพูดที่มีเหตุผลในธรรมนั้นว่าแม้เพราะเหตุนี้ สาวุกบริษัทหลายร้อยของท่านไม่ได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเราเมื่อไม่เห็นนิมิตแม้นั้นจึงถึงความกเกษมไม่มีความกลัวแกล้วเกล้วอยู่ตถาคตไม่ถูกติเตียนด้วยฐานะสามประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายฐานะสี่ประการที่ตถาคตไม่ต้องรักษา และตะถาคตไม่ถูกติเตียนด้วยฐานะสามประการนี้แหลอรักเขยยสูตรที่หจบ6กิมิละสูตรว่าด้วยพระกิมิลเข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าไผ่เขขกรุงกิมิลาครั้งนั้นท่านพระกิมิละเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งนัทที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัทธธรรมไม่ดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากิมิละเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วเหล่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่ง อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดา 2. องอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในธรรมสามอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสงฆ์สี่อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสิกขาห้าอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสมาธิหก อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในความไม่ประมาทเจดอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในปฏิสันฐานกิมิละนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตธรรมดำรงอยู่ได้ไม่นานในเมื่อตาคตาบริญพานแล้วท่านพระกิมิละทูลถามว่าค้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสัตธรรมดำรงอยู่ได้นาน ในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากิมีละเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วเราภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในศาสดา 2. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในธรรม 3. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในสง 4. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในศีกขา้าอยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในสมาธิ 6. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในความไม่ประมาท 7. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในปฏิสันฐานกี่มิละนี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตวธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อตาคตปรินิพานแล้ว คิมิระ ส, 7. สูตรที่หจบ 7. จสัตตะธรรมสูตรว่าด้วยทำเจตประการที่เป็นเหตุให้บรรลุวิมุติภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำเจตประการไม่นานนักก็จะทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทำเจตประการอะไรบ้างคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ่เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล 3. เป็นผู้หูสูตร 4. เป็นผู้หลีกเร้น 5. เป็นผู้ปรารบความเพียร 6. เป็นผู้มีสติ 7. เป็นผู้มีปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจประการนี้แหลไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสถธรรมสูตรที่7จบ 8. จบแปดเจปาลายะมานสูตร ว่าด้วยอุบายแก้วความง่วงข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเพชกะลามิขะไทยวันเขกรุงสูงสุมาระคิระแควนพักคะสมัยนั้นแลท่านพระมหาโมคลานะกำลังนั่งง่วงอยู่ที่หมู่บ้านกาลวาละมุตคามแขวนมาคต พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคลานะกำลังนั่งง่วงอยู่ใกล้หมู่บ้านกาลวาละมุตคามแขวนมคตด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์แล้วได้ส่งหายไปจากป่าเพสการามิขทายวันเขคครุงสูงสุมาลคิระแขวนภักะไปปรากฏต่อหน้าท่านพระมหาโมคคลานะใกล้หมู่บ้านกาลวาลมุตคามแควนมคตเหมือนบุรุษมีกำลัง เหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉชนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทันบนบนพุทธาอัที่ปูราดไว้แล้วได้ตรัสกับท่านพระมหาโมคลานะดังนี้ว่าเธอง่วงหรือโมคลานะเธอง่วงหรือโมคลานะท่านพระมหาโมคคลานะกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหนึ่งเมื่อเธอมีสัญญาอยู่อย่างไร ความม่วงนั้นย่อมครอบงำเธอได้เธออย่าได้มนตการถึงสัญญานั้นอย่าได้ทำสัญญานั้นให้มากเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความม่วงนั้นได้ 2>, 2. ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความม่วงนั้นไม่ได้เธอพึงตรึกตรองพิจารณาธรรมตามที่ได้สดับมาได้เล่าเรียนมาเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความม่วงนั้นได้ส ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความมุ่งนั้นไม่ได้เธอพึงสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความมุ่งนั้นได้ 4. ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความมุ่งนั้นไม่ได้เธอพึงย้อนช่องหูทั้งสองข้างใช้มือบีบนวดตัวเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความมุ่งนั้นได้ห ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความง่วงนั้นไม่ได้เธอพึงลุกขึ้นยืนใช้น้ำลูบตาเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวนักสัตว์เป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความง่วงนั้นได้หถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความง่วงนั้นไม่ได้เธอพึงมนัสการถึงอาโลกะสัญญาความกาหนดไม้แสงสว่างตั้งสัญญาว่าเป็นกลางวันไว คือกลางวันอย่างไรกลางคืนก็อย่างนั้นกลางคืนอย่างไรกลางวันก็อย่างนั้นมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มหอ่อทําจิตให้โปรง่งใสเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความม่วงนั้นได้ 7. ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นยังละความม่วงนั้นไม่ได้เธอพึงอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาสารวมอินทรีย์ภายใน มีใจไม่คิดไปภายนอกเป็นไปได้ที่เมื่อเธออยู่อย่างนั้นจะละความม่วงนั้นได้ถ้าเมื่อเธออยู่อย่างนั้นเธอยังละความม่วงนั้นไม่ได้ก็พึงสําเร็จสีห์สายยาการนอนดุดราชสีโดยตะแคงข้างขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทําอุทานสัญญากำหนดหมายว่าจะลุกขึ้นไวในใจพอตื่นก็รีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่า เราจกไม่ประกอบความสุขในการนอนไม่ประกอบความสุขในการเอกขนเกไม่ประกอบความสุขในการหลับโมคลานะเธอพึงสำเหนียกอย่างนี้แหลโมคลานะเพราะเหตุนั้นแหลเธอพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราจะไม่ชูงวงเข้าไปยังตรกูลเธอพึงสำเหนียกอย่างนี้แหลโมคลานะถ้าภิกษุชูงวงเข้าไปยังตรกูล และในตระกูลก็มีกิจที่จะต้องทำหลายอย่างทำให้ผู้คนไม่ใส่ใจถึงภิกษุผู้มาถึงแล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้ใครกันนะยุโยงให้เราแตกกับตระกูลนี้เดี๋ยวนี้คนเหล่านี้เบื่อหนายเราดังนั้นเธอจึงมีความเก้อเขินเพราะไม่ได้อะไรเมื่อเก้อเขินจึงมีความฟุ้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านจึงมีความไม่สารวม เมื่อไม่สารวมจิตจึงห่างจากสมาธิโมคลานะเพราะเหตุนั้นแหลเธอพึงสำเนีกอางนี้ว่าเราจะไม่กล่าวถ้อยคำที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันเธอพึงสำเนีกอานนี้แลโมคลานะเมื่อมีถ้อยคำที่เป็นเหตุให้ทุ่มเถียงกันก็จำต้องพูดมากเมื่อมีการพูดมากความฟุ้งซ่านจึงมีเมื่อฟุ้งซ่านจึงมีความไม่สารวม เมื่อไม่สัมรวมจิตจึงห่างจากสมาธิโมคลานะเราไม่สันเสริญการคลุกคลีกับคนทั้งปวงเราจะไม่สันเสริญการคลุกคลีโดยประการทั้งปวงเลยก็หาไม่คือเราไม่สันเสริญการคลุกคลีด้วยหมู่ชนทั้งครหัดและบรรปะชิตแต่เราสันเสริญการคลุกคลีด้วยเสยนาสนะที่มีเสียงน้อยมีเสียงอื้อกะทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คน ควรเป็นสถานที่ทำการรับของมนุษย์สมควรเป็นที่เหลกอเร้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วท่านพระมหาโมคลานะจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่ะว่าโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่าไรหนอภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งตัหามีความสาเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุด ประพฤติพรมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะพิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับมาว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นพิกษุได้สดับมาอย่างนั้นว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นพิกษุนั้นย่อมรู้ชัดทำทั้งปวงครั้นรู้ชัดทำทั้งปวงแล้วจึงกาหนดรู้ทำทั้งปวง ครั know, a, really game, meer, ้นกำหนดรู the making the making. We <We ้ทำทั้งปวงแล้วจึงสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาเหล่านั้นอยู่พิจารณาเห็นความคลายไปในเวทนาเหล่านั้นอยู่พิจารณาเห็นความดับไปในเวทนาเหล่านั้นอยู่พิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาเหล่านั้นอยู่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 ทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปโมฆคลานะว่าโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้แลพิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งตันหามีความสำเร็จสูงสุดมีความกเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จะปะลายะมานสูที่8ดจบ